บุกทูแปดสิบสี่ออคติกควารอาดีตการสี่อสเมโปควารอ่านเล่ย์ีดิฉันอ่านแล้วมีเล่ย์ ดิฉันอ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้วมิเลกิสและท a ตเข้าใจ <pre> ดิฉันเข้าใจแล้วมีคอนเฟรนิสดิฉันเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้วท um. ตอบ ที่ดิฉันตอบแล้วมิร <respond> ี่ดิฉันตอบคำถามทั้งหมดแล้วมิรีสปอนดิสชดิฉันทราบแล้วดิฉันได้ทราบแล้วที่ดิฉันเขียน ที่ฉันได้เขียนแล้วมิสครีบัสเทียนมิสครีบิสเทียนฉันได้ยินที่ฉันเคยได้ยินแล้วมิอาดาสเทียนมิอดิสเทียนฉันกำลังไปรับที่ฉันได้ไปรับแล้วมิอรสเซอร์ชิียน มีอีรสเซรอร์ชนฉันกำลังนำมาดิฉันได้นำมาแล้วมีอัลพอร์ต t สเทียนมี อ, ลอัลรทีนดฉันซื้อดิฉันได้ซื้อแล้วมีอะเชตัสเยนอตทีตยนฉันคาดไว้ว่า ดิฉันได้คาดไว้แล้วว่ามีอเทน n d สเตียมีเตียดิฉันอธิบายดิฉันได้อธิบายแล้วมี Clarig เตียงมีเตียงดิฉันรู้ดิฉันรู้แล้วมี c o n เตียมี o n เตีย